วันนี้เป็นวันเสาร์ที่สองพฤษชิกายนพุทธศักราช2562เป็นอีกวันหนึ่งที่เหมือนกับทุกๆวันคือเป็นวันที่มีคนเกิดแล้วก็มีคนตายทุกๆวันนี้ ไม่มีวันไหนที่ไม่มีคนเกิดที่ไม่มีคนตายในโลกนี้เป็นที่ของคนมาเกิดกันและเป็นที่ของคนมาตายกันคนที่เกิดกับคนที่ตายนี้มีจำนวนเท่ากันเพราะทุกคนที่เกิด จะต้องตายด้วยกันทุกคนนั่นเองพวกเราจึงมีวันคู่ชีวิตของพวกเราคือวันเกิดกับวันตายมีคนที่มีวันสำคัญเพิ่มขึ้นอีกวันหนึ่งคือพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ตัสสวก ท่านมีวันไม่เกิดเพิ่มขึ้นมาอีกวันหนึ่งเช่นพระพุทธเจ้าทรงตัดสรุทรงประสูติทรงตัดสรูุรรและปริเนิพานในวันปีเดียวในวันเดียวกันเดือนเดียวกันแต่ต่างปีวันประสูติก็คือวันเกิดวันปริเนิพานก็คือวันตายส่วนวันตัดสรูุนี้ คือวันไม่เกิดนั่นเองเพราะเป็นวันที่พระองค์ได้ทรงบรรลุถึงพันธิพาน์วันตัสรูของพระพุทธเจ้าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติจน จ, นจิตของพระองค์ได้ทรงหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดหลุดออกจากสังสารวัฏหลุดออกจากไตรภพ เข้าสู่าภาณิพาน์ภาณิพาน์ก็คือที่ไม่มีการเกิดนั่นเองเมื่อไม่มีการเกิดก็จะไม่มีการตายนี่แหละเป็นวันที่พวกเรายังไม่มีกันและเป็นวันที่พระพุทธเจ้าอยากให้พวกเรามีกันจึงได้ทรงสละเวลาตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปี หลังจากที่ได้ทรงค้นพบวันที่ไม่เกิดแล้วก็ไม่หวงเก็บเอาไว้สําหรับพระองค์เพียงพระองค์เดียวพระองค์อยากให้สัตว์โลกทั้งหลายได้มีวันไม่เกิดเหมือนกับพระองค์เพราะว่าถ้ายังมีวันเกิดอยู่ก็ยังต้องมีวันแก่ มีวันเจ็บมีวันตายมีวันพลาดพลาดจากกันอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะพบอยากจะเจอกันแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้ามีวันเกิดแล้วก็ต้องมีวันเหล่านี้ตามมาเป็นธรรมดามีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีแก่แล้วก็ต้องมีเจ็บไข้ได้ป่วย เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องมีตายกันเป็นธรรมดาพอตายก็มีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาพระ อ, องค์จึงไม่อยากให้พวกเหล่านี้ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายกันอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่มีพระพุทธเจ้า มา ส, สอนมาทรงบอกวิธีให้ไม่เกิดกันสัตว์โลกทั้งหลายก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดกันไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดปริมาณของการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกแต่ละตัวแต่ละคนนี่ก็ มีจำนวนมากมายเท่าที่ไม่สามารถที่จะนับได้ด้วยเลขเพราะการเกิดแก่เจ็บตายของสัตว์โลกนี้มีเป็นมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานถ้าอยากจะรู้ว่าพวกเราได้มาเกิดแก่เจ็บตายกันมากน้อยเพียงไรพรองค์ก็ทรงให้เรา สะสมน้ำตาที่เราหลั่งไว้ในแต่ละภพแต่ละชาตินี่ทุกครั้งที่เรามาเกิดเราต้องมาร้องห่มร้องไห้กันทุกคนปริมาณของน้ําตาที่เราหลั่งกันนี้ในแต่ละภพแต่ละชาติถ้าเราเอามารวบรวมกันไว้ตะองทรงตัดว่ามีมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรคิดดูก็แล้วกันว่า เราต้องมาเกิดแก่เจ็บตายกันกี่ครั้งด้วยกันมาหลั่งน้ำตากันกี่กี่เลิดกันถึงจะได้น้ำตามากเท่ากับน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคือปริมาณของการเกิดแก่เจ็บตายของสัตว์โลกอย่างพวกเราทุกคนและเราจะต้องหลั่งน้ำตากันต่อไปอยู่เรื่อยๆ อย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ผู้ที่ได้พบวันที่ไม่เกิดผู้ที่ได้รู้จักวิธีทำให้วันที่ไม่เกิดนี้ปรากฏขึ้นมาได้ถ้าเราได้พบได้ศึกษาและได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอน ของพระพุทธเจ้าหรือของพระธรรมคำสอนหรือของพระอริยสงสาวกเราก็จะได้วันที่สำคัญอีกวันหนึ่งเป็นนังวันให้แก่ชีวิตของพวกเรานั่นก็คือวันไม่เกิดวันไม่เกิดนี่แหละเป็นวันที่ประเสริฐที่สุด ปเปิดยิ่งแก้ววันยิ่งกว่าวันเกิดประเริฐยิ่งกว่าวันตายดังนั้นชีวิตของพวกเราคือเป้าหมายของชีวิตของพวกเราที่แท้จริงที่ถูกต้องก็คือการมาทำให้วันไม่เกิดในปรากฏขึ้นมาในชีวิตของพวกเรามาเป็นสมบัติของพวกเรา พอถ้าเราได้วันที่ไม่เกิดเป็นสมบัติของพวกเราแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาทุกกับการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาหลั่งน้ำตาให้มากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรโอกาสที่พวกเราจะได้มาพบกับพระธรรมคำสั่งคำสอนอันประเสริฐ ที่จะพาให้เราได้ไปพบกับวันไม่เกิดนี้เป็นโอกาสที่ยากที่นานานจะปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งเพราะการมาเกิดในโลกและมาตัดสู้วันไม่เกิดนี้ของพระพุทธเจ้านี้แต่ละองค์จะมีปรากฏขึ้นนานานครั้งหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้ปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ นานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาสรงตัดสรุปมาพบวันไม่เกิดแล้วนาเอาความรู้ที่ได้ส่งตัดสรุปนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกกันสักครั้งหนึ่งช่วงระยะเวลาระหว่างพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้ท่านว่ามันยาวเป็นกับเป็นกันไม่สามารถที่จะเขียนได้ด้วยตัวเลข แตาเราจะประมาณก็ประมาณว่าเป็นแสนล้านล้านปีก็แล้วกันที่จะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นมาสักเพ้อองคหนึ่งแล้วจะได้เอาคำที่ได้สงสิ่งที่ได้สงค้นพบคือวันไม่เกิดเอามาแจกจ่ายเอามาเผยแพร่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกที่ยังต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ โอกาสที่จะได้พบกับพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคำสอนหรือพระอริยสงสาวของพระพุทธเจ้านี้จึงไม่ใช่เป็นของง่ายไดใครที่ได้พบนี้ต้องถือว่าเป็นผู้มีโชคมหาศาลโชคมหาศาลมากกว่ายิ่งกว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งร้อยครั้งพันครั้ง ถ้าเราคิดว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งร้อยครั้งพันครั้งนี้มันยากอย่างไร เ, เราก็ต้องคิดว่าการได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์นั้นมันก็ยากกว่าอีกหลายร้อยหลายพันเท่าด้วยกันแล้วถ้าเราได้มาพบก็ถือว่าเรานี่ได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหลายร้อยหลายพันครั้งทีเดียว เป็นโชคอันมหาศาลเป็นโอกาสที่ยากที่จะเกิดขึ้นแต่พวกเราทุกคนนี้ได้มีโชคกันแล้วได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์แล้วได้มีโอกาสได้ศึกษาลริ่มเรียนวิธีที่จะพาให้เราไปสู่วันที่ไม่เกิดได้ดังนั้นเราได้ เราได้พบสิ่งที่ประเสริฐแล้วสิ่งที่เราควรที่จะกระทำกันก็คือใบข่อยคว้าเอามาเป็นสมบัติของเราด้วยการพยายามศึกษาพราะธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือพระธรรมคำสอนที่พระอริยสงสาวรได้ บรรลุถึงแล้วได้นำามามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราอย่าปล่อยเวลาอันมีค่าของชีวิตเราให้หมดไปกับสิ่งที่ไม่มีคุณมีประโยชน์ต่อจิตใจของพวกเราเลยสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่พวกเราหากันอยู่ทุกวันนี้ มันไม่มีคุณประโยชน์อย่างแท้จริงกับจิตใจของพวกเราเลยมีคนประโยชน์ก็ชั่วเป็นแบบชั่วครั้งชั่วคราวได้สิ่งนั้นมาได้สิ่งนี้มาก็พาให้เรามีความสุขกันประเดียวประดาวแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปหมดไปเราก็ต้องไปหามันใหม่หาได้มามากน้อยเพียงไรมันก็ อยู่กับเราได้เดี๋ยวเดียวคือความสุขสิ่งที่เราได้มาอาจจะยังไม่จากเราไปแต่ความสุขที่เราได้จากมันนี้มันหมดไปแล้วเราเวลาได้อะไรมาใหม่ๆเราจะมีความรู้สึกดีใจมีความสุขใจแต่พอเราอยู่กับมันไปสักระยะหนึ่งความดีใจความสุขใจที่ได้จากสิ่งนั้น หรือบุคคล น, นั้นมันก็หายไปแล้วสิ่งที่ก็ามาแทนที่ก็เป็นเรื่องหนัก อ, อกหนักใจพอเรามีอะไรเราก็ต้องมีความลักมีความหวงมีความหวงเราก็จะมีความหนัก อ, อกหนักใจไม่สบายใจไปกับสิ่งที่เรามีถ้าเขาไม่อยู่ก็ทำให้เราเสีย อ, อกเสียใจ เขาอยู่เขาก็ทำให้เราห่วงใ ย, ยเขากังวลกับเขานี่แหละคือสิ่งต่างๆที่เราหากันอยู่ในขณะ น, นี้เราหาสิ่งที่มาทำให้เราหนักอกหนักใจกันไม่สบายอกไม่สบายใจกันและได้ความสุขจากสิ่งนั้นนั้นเพียงเล็กๆน้อยๆชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น ในเวลาที่เราตายไปสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะมายับยั้งการการไม่เกิดของพวกเราได้เราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มาทำอย่างที่เราทำกันอยู่แบบนี้อีกรอบหนึ่งอีกหลายๆายรอบด้วยกันไปจนกว่าที่เราจะสามารถ ค้นพบวันที่ไม่เกิดของเราได้นะการที่เราจะค้นพบวันไม่เกิดของเราได้เราก็ต้องมีคนสอนมีคนบอกต้องมีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าหรือมีพระธรรมคําสอนหรือมีพระอริยสงสารวกที่จะสอนที่จะบอกวิธีให้พวกเรายุติการ กลับมาเกิดกันนั่นเองชานี้พวกเราถือว่าได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสามารถที่จะไปรับรางวัลที่หนึ่งได้เราถ้าไม่ไปรับรางวัลเราก็จะไม่ได้รางวัลพอถึงแม้จะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถ้าเราไม่ไปขึ้นรางวัลเราก็จะไม่ได้รางวัล รางวัลของพระพุทธศาสนาคือวันไม่เกิดนี้ถ้าเราต้องการจะได้มาเป็นสมบัติของเราเราก็ต้องไปรับจากพระพุทธเจ้าหรือจากตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคําสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือพระอริยสงสาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผู้ที่จะสั่งจะสอนจะบอกวิธีขึ้นนังวันของพระพุทธศาสนาให้กับพวกเรานีดังนั้นสิ่งแรกที่พวกเราต้องทํากันก็คือต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะได้เรียนรู้ว่าเราเป็นผู้ที่มีโชคได้พบกับ ได้ถูก tery, ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งคือได้รับรางวัลของวันไม่เกิดแต่การที่จะรับรางวัลเราก็ต้องปฏิบัติเงื่อนไขต่างๆถึงจะทําให้เราสามารถรับรางวัลคือวันไม่เกิดนี้ได้ถ้าเราไม่เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงแม้จะมีรางวัลรอเราอยู่ รางวัล น, นั้นมันจะไม่มาหาเราถ้าเราไม่สนใจไม่ใฝ่ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเอาเวลาไปหาความสุขแบบชั่วคราวคือหาความสุขจากลาบยศสนเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราก็จะไม่เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กัน เมืเราไม่เข้าหาเราก็จะไม่รู้วิธีที่เราจะได้รับรางวัลของพระพุทธศาสนาคือวันไม่เกิดวันที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดวันที่จะทําให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรคือความสุขของพระ น, นิพพาน ที่ทรงตัดไว้ว่านิบานังปรมังสุขขังความสุขของพระนิพพานเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่มหาศาลยิ่งกว่าความสุขทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นความสุขที่แท้จริงและถาวรไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้รับจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ที่เป็นความสุขแบบควนไฟได้มาแล้วก็จางหายไปไปเที่ยววันนี้แล้วก็มีความสุขกันพอพรุ่งนี้ไม่ได้เที่ยวอยู่บ้านความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปไปเที่ยวที่นั่นไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานอะไรกันก็เกิดความสุขกันพอวันไหนไม่ได้ไปความสุขนั้นก็หายไป เรีว่าเป็นความสุขชั่วคราวไม่จีรังไม่ถาวรล้วยังทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแทนที่ด้วยเวลาที่ขาดความสุขเหล่านั้นขึ้นมาเมื่อไหร่เวลานั้นก็จะมีความรู้สึกเศร้าหงอยเหงาว้าเวะขึ้นมาจึงต้องคอยเดินรนหาความสุขอยู่เรื่อยๆหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ แต่ความสามารถในการหาความสุขจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มีมีเวลาจำกัดเพราะเครื่องมือคือร่างกายที่เราใช้ในการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้ก็จะมีการแก่ลงไปเรื่อยๆความสามารถในการที่จะใช้ร่างกาย ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็จะลดน้อยถอยลงไปตามความเสื่อมของร่างกายจนถึงวันที่ไม่สามารถที่จะไปหาได้วันที่เจ็บไข้ได้ป่วยวันนั้นก็จะเป็นวันที่เต็มไปด้วยความเหงาความเศร้าความว้าเหวความทุกข์ทรมานใจนี่คือ ความสุขที่พวกเราแสวงหากันในขณะนี้ขอให้เรามองมองไปไกลๆหน่อยอย่ามองแต่เฉพาะวันนี้พวกนี้เพราะว่าเราจะไม่เห็นภาพจริงของความสุขต่างๆเหล่านี้ว่ามันเป็นความสุขปลอมมันเป็นความสุขที่เราจะไม่สามารถที่จะหาได้ตลอดเวลา และเวลาที่เราไม่สามารถที่จะหาได้มันก็จะทำให้เรามีความทุกข์ใจกันถ้าเราคิดอย่างนี้เห็นภาพของภาพที่แท้จริงของความสุขต่างๆที่เรามีกันอยู่ในขณะนี้มันก็จะทำให้เราตื่นตัวขึ้นมาทำให้เราอยากจะหาความสุขแบบใหม่ แบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้หากันถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคำสอนหรือพระอริยสาวกนี่สรงมาสอนเราก็จะไม่มีวันรู้กันเราก็จะคอยมัวแต่หาความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าที่เราจะไม่สามารถหากันได้อถึงเวลานั้นเราก็ต้องทุกข์กันนะ ก็ต้องคิดในทางที่ไม่ดีกันคิดฆ่าตัวตายหนีจากความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดจากการที่ไม่สามารถที่จะหาความสุขได้อีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมที่ไม่มีพระพุทธศาสนาสังคมที่อาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข จากราบยศสารเสรินจากรูปเสียงกิ่นลดเวลาที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงก็สามารถหากันได้อย่างเต็มที่แต่ไม่ค่อยคิดกันว่าในอนาคตร่างกายนี้จะต้องแก่ลงจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและจะต้องตายกันพอถึงเวลานั้นมันก็สายเกินไปพอถึงเวลานั้นก็จะถูกความทุกข์รุมเล่า จนไม่สามารถคิดด้วยเหตุด้วยผลได้ก็จะคิดตามอารมณ์อารมณ์ก็คืออยากจะหนีพ้นจากความทุกข์ก็คิดว่าการฆ่าตัวตายนี้เป็นการหนีจากความทุกข์ที่เกิดจากการไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆได้แต่ความเป็นจริงมันไม่ได้หนีมันกับหนีมันกับวิ่งเข้าหาความทุกข์กองใหญ่กว่าเก่า ความทุกข์ที่เกิดที่มีอยู่ในปัจจุบันที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดจากการไม่สามารถหาความสุขต่างๆได้นี้มันเป็นกองทุกข์ที่เล็กกว่ากองทุกข์ที่เราจะวิ่งเข้าหากันคือกองทุกข์ที่เกิดจากการฆ่าตัวตายนี้การฆ่าตัวตายนี้เป็นการสร้างความทุกข์ที่ใหญ่กว่าความทุกข์ที่เกิดจาก การเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายแต่คนส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจจะไม่รู้กันเพราะไม่เข้าใจธรรมชาติของใจว่าอะไรทำให้ใจทุกข์กันสิ่งที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือบาปการกระทำที่เป็นบาปนั่นเองเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต แม่ว่าจะฆ่าร่างกายของผู้อื่นหรือร่างกายของตนก็เป็นบาปเหมือนกันและฆ่าร่างกายของตนนี้จะเป็นบาปมากยิ่งกว่าฆ่าร่างกายของผู้อื่นเพราะว่าร่างกายของตนนี้เป็นร่างกายที่มีคุณประโยชน์กับตนมากที่สุดนไปทําลายสิ่งที่มีคุณประโยชน์มากเท่าไหร่ก็จะทําให้เกิดความทุกข์ใจร้อนใจมากขึ้นไปเท่านั้นน แล้วนอกจากค่าตัวตายพอตายแล้วความทุกข์ในใจมันไม่หมดไปเนความทุกข์ในใจมันกลับใหญ่ขึ้นกว่าเดิมความทุกข์ที่เกิดจากการฆ่าฆ่าตัวตายนี้อย่าไปคิดว่าพอร่างกายตายไปแล้วความทุกข์ที่อยู่ในใจจะหายไปความทุกข์ที่อยู่ในใจมันกลับลุกโชดช่วงขึ้นมาใหญ่กว่าเดิม เพราะเกิดจากการกระทำบาปของใจเองแล้วก็แทนที่จะถ้าไม่ได้ฆ่าตัวตายอาจจะไม่ต้องไปนรกนี่แต่พอฆ่าตัวตายแล้วต้องไปค่ะไปนรกแทนถ้ายอมทนอยู่กับความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บข้ได้ป่วยแล้วปล่อยให้น่างกายตายไปตามธรรมดาของมัน ใจก็อาจจะไม่ต้องไปตกนรกก็ได้อาจจะไปสวรรค์ก็ได้ถ้าได้ทำความดีได้ทำบุญไว้ได้ทำบุญไว้มากกว่าทำบาปแต่พอมาฆ่าตัวตายนี้มันมาทำบาปที่ใหญ่โตมากกว่าบาปธรรมดาทั่วไปบาปที่เราทำกันทั่วๆไปนี้มันไม่หนักเท่ากับการฆ่าตัวตายนะ บาปที่เราทำเช่นโกโหกบ้างรักทรัพย์บ้างทำฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยตบยุงฆ่ามดมแรงต่างๆบาปเหล่านี้มันไม่หนักเท่ากับบาปที่เกิดจากการฆ่าตัวตายถ้าเราไม่ฆ่าตัวตายเราอาจจะมีบุญมากกว่าบาปพอเวลาเราตายไปใจเราก็จะไปสวรรค์ได้เพราะบุญที่เราทำไว้มีมากกว่าบาป แต่พอเรามาคิดสั้นมาคิดค่าตัวตายนี่เรามาสร้างบาปอันใหญ่โตขึ้นมาทําให้บุญที่เรามีน้อยกว่าบาปที่เราได้ทําเพิ่มขึ้นบาปนี้ก็เลยดึงให้ใจเราไปอาบายไปนรกแทนนี่ถ้าไม่ได้ศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมไม่ได้ศึกษาเรื่องวิญญาณดวงวิญญาณที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย <c oughs> ก็จะคิดว่า พอฆ่าตัวตายแล้วคนนั้นก็จะสบายจะพ้นทุกข์แต่แทนที่จะพ้นทุกข์กลับไปเจอทุกข์ที่ใหญ่กว่าเดิมนอันนี้ถ้าไม่ปฏิบัติจิตตภาวนาจะไม่เข้าใจธรรมชาติของจิตใจจะไม่เข้าใจเรื่องของคุณของโทษของบุญของบาปว่าเป็นอย่างไรต่อจิตใจพอมองไม่รู้ไม่มองไม่เห็นจิตใจ ก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญแล้วคิดว่าจิตใจนี่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไปพอร่างกายตายไปจิตใจก็ตายไปกับร่างกายร่างกายสงบก็เลยคิดว่าจิตใจสงบ พ, พอเวลาคนตายเราจะคิดว่าแหมเขานอนสบายเขาไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องทุกข์เหมือนกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่นั่นเป็นเพียงร่างกายที่สบายใจนี้มันไม่สบายใจสบายหรือไม่สบายอยู่ที่บุญที่บาปที่ได้ทำที่ได้สะสมไว้พอมาฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นบาปหนักก็จะทำให้ต้องไปนรกเหมือนกับพระเทวทัตเนี่ย ตอนที่ยังไม่ตายก็ทำบุญไว้เยอะมาบวชเป็นพระทำบุญจากการรักษาศีลทำบุญจากการนั่งสมาธิแต่พอเกิดกิเลสตัณหาความอยากเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาไปขออนุญาตจากพระพุทธเจ้าขอเป็นประธานสงฆ์ก็ได้รับการปฏิเสธก็เกิดความโกรธพระพุทธเจ้ายิงพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้ง แต่ทําได้ก็เพียงแต่ทําให้พระบาทพระโลหิตของพระบาทท่อเลือดพระพระโลหิตท่อเลือดพระบาทท่อเลือดห่อพระโลหิตบาปแค่นี้ก็ถือว่าหนะักเท่ากับบาปที่เกิดจากการฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพออาระอรหันต์หรือทําให้สงแตกแยก บาปนี้จึงมีกําลังใหญ่มากกว่าบุญที่ได้สะสมไว้จากการมาบวชเป็นพระมารักษาศีลได้สละทาทานสระทรัพย์สมบัติข้าวเงินข้าของเงินทองด้วยการทำทำทานแล้วก็บวชแล้ก็มารักษาศีลได้บุญจากการรักษาศีลได้สมาธิได้อภิญญาได้บุญชนิดต่างๆ มากมายแต่พอมาทำอันตราอนันตริยกรรมนี้เท่านั้นมันก็เลยทำให้บุญที่ทำไว้นี้สู้บาปที่ทำไว้ไม่ได้พอตายไปก็เลยต้องไปใช้กรรมในนรกเนี่ยแต่ดีอยู่อย่างหนึ่งคือก่อนก่อนที่จะตายนี้ได้สำนึกผิดเนี่ย ได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและขณะที่จะถูกธรณีสูขก็อขอถวายกรามเป็นพุทธบูชาพระพุทธเจ้าบอกว่าความสำนึกผิดนี้เป็นเหตุที่จะทำให้หลังจากที่ได้ไปใช้กรรมในนรกแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะมาปฏิบัติธรรมใหม่ และจะได้บรรลุเป็นพระปเจกับพุทธเจ้าต่อไปแต่ต้องไปใช้กรรมก่อนต้องไปใช้กรรมที่ตนได้ทำเอาไว้ทั้งๆ ท, ที่ได้บวชมาเป็นเวลาระยะเวลาหลายปีได้สร้างบุญ ร, ระดับทานศีลสมาธิมาขาดเพียงแต่ไม่ได้สร้างบุญคือปัญญาจึงทำให้ถูกกิเลสหลอก ให้มักใหญ่ไฟสูงพอไม่ได้ดังใจอยากก็เกิดความโกรธจนไม่สามารถหาข้ามจิตใจได้ก็เลยต้องไปพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งนี่แหละเรื่องของบุญเรื่องของบาปที่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติทางจิตตภาวนาเราจะไม่เข้าใจกัน อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องขององค์คุลีมานองค์คุลีมานนี่นก็มาทางตรงกันข้ามกับพระเทวทัตองค์ุลิมานนี่ทําบาปมาตลอดพยายามฆ่าคนน่าฆ่าคนถึง99้คนถ้าฆ่าพระพุทธเจ้าคนสุดท้ายนี้ได้ก็จะคิดว่าได้รางวัลจะได้บรรลุธรรมวิเศษขึ้นมาเพราะถูกอาจารย์หลอกอาจารย์ หลอกให้ไปทําบาปเพราะอาจารย์มีความคิดว่าถ้าไม่ทําลายองค์ุลิมาองค์ุลิมาจะมาเป็นใหญ่เป็นโตกว่าอาจารย์ก็ <g ül> ลเลยต้องหลอกองค์ุลิมาให้ว่าถ้าอยากเป็นใหญ่เป็นโตต้องไปฆ่าคนมาหนึ่งพันคนแล้วก็ตัดนิ้วมาเก็บไว้จะได้รู้ว่าฆ่าไปกี่คน ยังมีชื่อว่าองค์คุลีมานก็ฆ่ามาได้เก้าร้อสิคนมาเจอพระพุทธเจ้าคนที่หนึ่งพันพยายามฆ่าอย่างไรก็ฆ่าไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าทรงใช้ใช้อภิน ญ, ญาทําให้องค์ุลิมานไม่สามารถไล่ทันพระพุทธเจ้าพยายามไล่วิ่งฆ่าพระพุทธเจ้าเท่าไหร่ก็ไล่ ไ, ลไม่ทัน จนในที่สุดต้องตะโกนออกไปว่าท่านหยุดเถิดเราไล่ท่านไม่ทันแล้วพระพุทธเจ้าก็ตัดกลับไปว่าเราหยุดแล้วเธอต่างหากที่ยังไม่หยุดพอพูดอย่างนี้ก็เลยทําให้เอกใจขึ้นมาว่าเอ๊ท่านหมายความว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราหยุดจากการฆ่าแล้วเธอต่างหากที่ยังไม่ได้หยุดจากการฆ่า การฆ่านี้ไม่ได้ทําให้เธอประเสริฐไม่ได้แก้ปัญหาของเธอการฆ่านี้เป็นการสะสมเป็นการสร้างปัญหาให้กับเธอถ้าเธออยากจะฆ่าให้ฆากิเลสตัณหาตัวที่เป็นปัญหาของเธอที่สร้างความทุกข์ต่างๆให้กับเธอพอเปลี่ยนเป้าจากการไปฆ่าคนมาฆ่ากิเลสไม่นานองค์คุริมาลก็ได้บรรลุเป็นพระอารหันต์ขึ้นมา ได้พบวันไม่เกิดขึ้นมาพอเมื่อมีวันไม่เกิดแล้วก็ไม่ต้องมารับใช้กรรมที่เคยที่ทำจากการมาฆ่าคนถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนด้วยกันในทางศาสนาถ้าฟังแล้วก็รู้สึกว่าทาบาปมาแทเป็นแทบตายกับไม่ต้องไปใช้กรรมแต่คนนี้ทำบุญมาแทบเป็นแทบตายกับต้องไปใช้กรรมในบ้านพอไปทำบาปในบ้านปลายของชีวิต นี่แหละคือเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของจิตใจที่พวกเราถ้าไม่ศึกษาเราจะไม่รู้เราจะไม่เข้าใจกันแต่ถ้าเราศึกษาแล้วไม่สงสัยเข้าใจพอศึกษาพอทำจิตภาวนาแล้วจะเห็นจิตเวลาทำบุญจิตจะรู้สึกอย่างไรเวลาจิตทำบาปจิตจะรู้สึกอย่างไรจะเห็นขึ้นมาทันทีจะรู้ขึ้นมาทันทีว่า บุญกับบาปนี้มันไม่ได้เกิดที่ไหนมันไม่ได้ส่งผลที่ไหนมันส่งผลที่ใจนี้เองและใจนี้แหละเป็นผู้กระทำบุญและกระทำบาปเวลาทำบุญแล้วใจจะเย็นใจยังมีความสุขเนะเวลาทำบาปแล้วใจจะร้อนใจจะทุกข์ขึ้นมานี่ถ้าเราไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติจิตภาวนา เราจะไม่มีวันเข้าใจเรื่องของจิตใจเรื่องของกฎแห่งกรรมที่มาเป็นผู้ให้บุญให้ให้คุณให้โทษต่อจิตใจของเราแต่ถ้าได้ศึกษาแล้วจะไม่สงสัยไม่มีใครสงสัยไม่ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องกฎแห่งกรรมนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ผู้ที่ได้ศึกผู้ได้ปฏิบัติจิตตภาวนาแล้วนี้ เห็นเหมือนเห็นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งรู้ส่งเห็นทุกประการจึงมีความระมัดระวังต่อเรื่องของการทำบาปเป็นอย่างมากยอมอดตายดีกว่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่คือระดับขั้นแรกของพระอริยบุคคลคือขั้นพระโสดาบันท่านเห็นว่าการไปทำบาปเพื่อมา เยียวยาชีวิตนี้ได้ไม่คุ้มเสียได้อาหารมาเลี้ยงร่างกายที่เดี๋ยวมันก็ต้องตายอยู่ดีแต่มาสร้างบาปให้กับจิตใจที่จะต้องไปรับผลต่อไปในอบายซึ่งมันไม่คุ้มกันเพียงแต่คอยยืดอายุของร่างกายไปแต่ต้องไปรับผลต่อไปหลังจากที่ตายแล้ว เพราะการยืดอายุนี้ยืดด้วยวิธีกระทาบาปนะหรือวิธีฆ่าตัวตายก็เหมือนกันวิธีทำให้ความทุกข์มันสั้นลงหมดลงร่างกายมันทรมานก็ฆ่ามันเลยความทรมานทางร่างกายมันหมดไปจริงแต่ความทุกข์ทางใจมันเพิ่มขึ้นมาอีกนะแล้วมันจะสะสมเป็นนิสัยต่อไปด้วย เพราะว่าถ้าเรายังกลับมาเกิดกันอยู่ไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องเจอปัญหาที่เราแก้ไม่ได้กันอยู่เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เราแก้ไม่ได้หมอก็ช่วยไม่ได้รักษาแล้วก็ไม่หายเราก็เลยมาเราเคยแก้แบบไหนเราก็จะมาแก้แบบนั้นต่อเคยฆ่าตัวตายครั้งที่แล้วครั้งนี้มาเจอปัญหาแบบเดียวกันก็มาฆ่าตัวตายใหม่ แล้วก็กลับไปรับผลของกรรมในนรกใหม่กว่าจะออกมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ต้องไปทุกข์ทรมารในนรกอีกเป็นเวลาอันยาวนานแต่ถ้าเราได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้สิ่งแรกที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะสอนก็คือให้ละ ก, การกระทำบาปทั้งปวงการกระทำบาปทุกชนิดนี้เป็นโทษต่อจิตใจ มากหรือน้อยก็ตามหนักหรือเบาก็ตามมันจะส่งให้ใจไปอบายทันทีถ้าใจมีบาปมีทำบาปมากกว่ามีทำบุญเอาไว้เนเวลาตายไปบาปที่ได้ทำที่มีมากกว่าบุญนี้จะดึงใจให้ไปเกิดในอบายมีอยู่สี่ที่ด้วยกันคือไปเกิดเป็นเดลชานถ้าได้รูปถ้าได้ร่างกายก็เป็นร่างกายของสัตว์เดลชาน ถ้าไม่ได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานก็ไปเป็นเปรตถ้าทําบาปด้วยความโลภนะถ้าทําบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็น อ, อสูรกายนะถ้าทําบาปด้วยความโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบารนะ์ก็ไปนรกเนี่ยเช่นเราฆ่าตัวตายนี้แสดงว่าเราเปลียรร่างกายเราเราถึงฆ่ามัน ฆ่าร่างกายด้วยความเกลียดไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามถ้าทําบาปด้วยความเกลียดความชางังความอาฆาตพยาบาทมันก็จะทําให้ใจเป็นนรกเกินมานี่นี่คือคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นมีอยู่สามคำสอนด้วยกัน คำสอนที่สรบลงรวมกันนี้มีสามข้อใหญ่ๆที่ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาตัดสั้มาพบกับ เ, เรื่องของจิตเรื่องของกฎแห่งกรรมนี้จะสอนเหมือนกันทุกๆพระองค์สอนว่าสิ่งที่เป็นโทษกับจิตใจคือการกระทำบาปนี้ต้องให้ละให้ได้อย่าทำบาปโดยเด็ดขาดให้ละการกระทำบาปทั้งปวง ถ้าไม่อยากจะไปรับผลของบาปที่จะตามมาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามกฎแห่งกรรมนี้ไม่มีข้อยกเว้นไม่ใช่ว่าถ้าเธอไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเธอทําบาปไม่มีผลไม่มีโทษไม่ได้เป็นอย่างนั้นเชื่อหรือไม่เชื่อรู้หรือไม่รู้ทําไปก็รับผลบาปเหมือนกันนย่งพวกที่ทําบาปโดยไม่รู้ว่าเป็นบาปเนี่ยก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน ผู้ที่ทําบาปด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรตทําบาปด้วยความกลัวกลัวจะถูกเขาทําร้ายก็เลยทําร้ายเขาก่อนเี่ยอย่างนี้ก็เป็นอสุนลกายเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวคุ้มห่อจิตใจอยู่ตลอดเวลาส่วนเปรตก็เป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหอยอยู่ตลอดเวลาตาโรกก็เป็นดวงวิญญาณที่มีความอาฆาตพยาบาศ จองเวรจองกรรมอยู่ตลอดเวลานี่คือผลที่เกิดจากการทำบาปด้วยวิธีการต่างๆพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่มาตรัสลูกก็จะสอนให้ละการการะทำบาปก่อนถ้ายังทำบุญไม่ได้อย่างน้อยก็อยากทำบาปความจริงการไม่ทำบาปนี่มันง่ายกว่าการทำบุญใช่ไหมเพราะอะไรการไม่ทำบาปก็ให้นั่งเฉยๆเนี่ยตอนนี้ญาติโยมไม่ได้ทบาบาปกันทุกคน นั่งเฉยๆไม่ได้ด่าใครไม่ว่าใครไม่ได้เอาของของคนอื่นคนนี้ไปไม่ได้ไปทิ่มแทงใครให้ตายเนี่ยการทําบาปมันง่ายกว่าการทําบุญพระพุทธเจ้าเลยสอนของง่ายก่อนของง่ายก็คือให้ละ ก, การกระทําบาปและผู้สนับสนุนให้กระทําบาป ใครคือผู้สนับสนุนให้ไปทำบาป ก, ก็คืออบายมุขทั้งหลายนี้อบายมุขห้าประการห้าข้อคือ 1. การดื่มสุรายาเมาส 2. การเล่นการพนันสการเที่ยวเตรสี 4. ความเกลียดคร้านหการครบคนที่ชอบอบายมุขเป็นมิตรเนี่ย อย่าไปทำห้าอย่างนี้แล้วโอกาสที่จะทำให้เราไปทำบาปนี้มันมีน้อยลงไปถ้าดื่มสุรามาแล้วเดี๋ยวก็ควบคุมความคิดไม่ได้ควบคุมการพูดควบคุมการกระทำไม่ได้พอคิดไม่ดีก็จะปล่อยออกมาทางวาจาทางการกระทำไปทำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนเป็นบาปเป็นกรรมขึ้นมาถ้าดื่มไม่ดื่มสุราก็จะมีสติคอยยับยัง้ง เวลาจะคิดอะไรไม่ดีก็หยุดมันได้แต่เวลาไม่มีสติไม่มีสติเวลาดื่มโุดาแล้วมุนเมานี้ไม่มีสติเนี่ยเหตุการณ์ที่เสียหายต่างๆมักจะเกิดจากคนที่ดื่มสุราอุบัติเหตุบนท้องถนนนี้ก็เกิดจากคนที่ดื่มสุรากันถึงต้องมีโครงการการรณรงค์เมาแล้วไม่ขับกัน เมาแล้วนอนอย่าไปขับรถถ้าจะดื่มสัวราก็หาโซ่มาล่ามตัวไว้กับเตียงพอเมาก็จะได้นอนจะได้ไม่เป็นทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเสียหายอย่างนี้ก็ก็อย่างน้อยก็จะไม่ได้ทําบาปนะแต่ก็ไม่ดีการมึนเมาก็ทําให้ได้นอนอย่างเดียวจะไปทําอะไรที่เป็นคุณประโยชน์ก็ไม่ได้ถึงเวลาตื่นเช้าก็อาจจะไม่ได้ไปทํางาน พอยังไม่หายจากอาการหมื่นเมาอยู่ถ้าขาดงานบ่อยๆต่อไปก็ตกงานพอตกงานไม่มีรายได้ที่สุดจริตก็เลยต้องไปหารายได้ที่ทุจริตก็ต้องไปทําบาปเองนี่โทษของอบายามุกเพราะอบายามุกแต่ละชนิดนี้มีแต่มีแต่ใช้จ่ายมีแต่ค่าใช้จ่ายไม่มีรายรับมีแต่รายจ่าย เงินทางที่มีอยู่ในตัวเองมีมากมีน้อยก็ตามถ้าไปเสพอบายามุกนี่เดี๋ยวมันหมดได้มีมากก็จะเล่นการพนัดมากใช่หไหมเดิมพันสูงขึ้นมีน้อยก็จะเล่นเดิมพันน้อยแต่พอมีมากก็โลภมากอยากจะได้มากเล่นเป็นล้านเป็นสิบล้านก็มีสำหรับคนที่มีเงินระดับร้อยล้าน พอเล่นไปเดี๋ยวมันก็หมดมันกำไรพอกำไรก็อยากจะได้เพิ่มมีความโลภอยากได้เพิ่มขึ้นพอมีความคิดว่าเก่งเล่นแล้วกำไรพอเสียก็อยากจะได้คืนก็เล่นไม่ว่าได้หรือเสียมันก็ติดมันก็จะเล่นแล้วเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวมันก็หมดมันก็จะต้องเสียจนได้นี่ เป็นเรื่องของผู้สนับสนุนการกระทำบาปจึงส่งสอนให้ละเว้นอบายามุขเนอย่าดื่มสุราอย่าเล่นการพนันอย่าเที่ยวเตะอย่าเกียดคร้านอย่าคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรเพราะถ้าเขาชอบสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราเขาชอบเที่ยวเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวเขาชอบการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันะ เขาชอบความเกียดค้าเขาก็จะชวนให้เราเกียรติค้านแล้วมันก็ทำให้เราไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องไปหารายได้โดยวิธีทุจริตด้วยการกระทำบาปนะถ้าไม่เสบอบายามุขเราก็จะไปทำหากินทํางานขยันหมั่นเพียรมีรายได้เหลือเฟือมาจุนเจือทำให้เรานีไม่ต้องไปทำบาปและยังทาให้เรานี้สามารถทำ สิ่งที่เราไม่ไ ม, ไม่ไม่ทำได้ก็คือทำบุญได้เพราะถ้าเรามีเงินเหลือจากาการทำมาหากินจากการที่เราใช้สอยกับสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นสิ่งที่ไม่จําเป็นเช่นาบายามุกต่างๆเราก็ไม่ใช้เราก็จะมีเงินเหลือเยอะเราก็สามารถเอาเงินนี้มาทำบุญได้มาปฏิบัติข้อที่สองที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติกัน คือให้เราสร้างบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมเพราะการสร้างบุญนี้มีหลายวิธีหลายรูปแบบด้วยกันเป็นบุญทั้งนั้นบุญคือการเสียสละประโยชน์สุขของเราให้แก่ผู้อื่นไม่ว่าประโยชน์สุขของเราจะมีอยู่ในรูปแบบไหนก็ถือว่าเป็นการทำบุญได้เหมือนกันถ้าประโยชน์สุขในรูปแบบของเงินทองเราก็ให้เงินทองแก่ผู้อื่นไป ถ้าประโยชน์สุขในรูปแบบของวิชาความรู้เราก็ให้ความรู้กับผู้อื่นไปถ้าประโยชน์สุขจากการมีเวลาว่างที่จะทำภารกิจทำอะไรต่างๆให้แก่ผู้อื่นได้อันนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันเจ็นไปเป็นอาสาสมัครไปช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือหรือเวลามีงานกุศลต่างๆก็ไปร่วมกันไปช่วยกัน อันนี้ก็เป็นวิธีทำบุญต่างๆช่วงนี้เราก็มีวิช่วงทำบุญกรถินกันทำบุญกถินมีเปิดลงทานกันเบยจากเงินเบยจากทองกันอันนี้ก็เป็นบุญบุญนี้ก็เป็นเหมือนอาหารของใจทำบุญแล้วก็เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมา ถ้าไม่ได้ทาก็จะรู้สึกขาดขาดอะไรอยู่ถึงแม้ไม่ได้ทำบาปแต่มันก็จะมีความรู้สึกว่ามันไม่มีความอิ่มนะเหมือนกับว่าไม่ได้รับประทานอาหารไม่หิวแต่ก็ไม่อิ่มนะแต่พอได้ทำบุญแล้วก็จะรู้สึกอิ่มขึ้นมาหิวก็มีอยู่หิวก็หิวในสิ่งที่ไม่ควรหิว หิวกับการหาความสุขทางตาหูจมูกดินกายพวเรามักจะเอาเงินทองไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกันมากกว่าไปหาความสุขจากการทําบุญกันเราก็เลยติดการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกันเพราะความสุขของรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นเหมือนยาเสพติด ส่วนความสุขที่เกิดจากการทำบุญนี้เป็นเหมือนอาหารอาหารของใจคือการทำบุญส่วนความสุขที่เราไปหาจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นเหมือนยาเสพติดของใจพอเราไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสแล้วมันติดใช่ไ เคยดูอะไรแล้วต้องดูอยู่เรื่อยๆเต็จเป็นดูแล้ติดละครไหมเคยดื่มเครื่องดื่มชนิดนั้นเคยก็ติดเครื่องนั้นใช่ไหมเครื่องดื่มชนิดนั้นเนี่ยกินมาไม่รู้กี่ปีแล้วอย่างนั้นก็ติดอยู่นั้นอ่ะเคยกินยี่ห้อไหนแบบไหนชนิดไหนมันก็ติดขึ้นมาทันทีเวลาไม่ได้กินก็รู้สึกไงหงุงดหงิดลำคาญใจขนสูบบุหรี่ความไม่ได้สูบบุหรี่ บุหไม่มีก็หงุดหงิดลาคาญใจคนเดิมสุลาเด่มเครื่องเดิมชนิดต่างๆพอไม่มีเดิมก็เกิดหงุดหงิดขึ้นมานี่แหละเป็นความสุขที่เราไปซื้อมาแล้วก็ต้องมาทําให้เราทุกขเวลาที่เราไม่สามารถที่จะไปซื้อมามาเสพได้ซื้อมามาทำมาทำบุญดีกว่ามาเสพ บ, บุญดีกว่า พราะบุญนี้เป็นอาหารไม่มีไม่ทําให้เราติดเนี่ยเวลาไม่ได้ทําบุญเราจะไม่รู้สึกหงุดหงิดําคาญใจเราจะรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกสบายใจคิดถึงบุญเก่าที่ทําแทนก็ได้พอทุกครั้งเราคิดถึงบุญ ท, ที่เราเคยทําไว้ความอิ่มใจมันก็กลับขึ้นมาใหม่อีกแต่ถ้าเราคิดถึงรูปเสียงกิริย์รสที่เราเคยไปเสพพอคิดถึงมาแล้วไม่ได้เสพก็เหงาก็เศร้าขึ้นมาเอ นี่คือผลที่แตกต่างกันจากการที่เราใช้เงินไปกับการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกับการหาความสุขจากการทําบุญพระอุเจ้าจึงสอนว่าให้เราเอาเงินทองที่เรามีเหลือเฟื่อนีที่เราไม่ต้องใช้กับสิ่งที่จำเป็นอย่าเอาไปใช้กับรูปเสียงกลิ่นรสอย่าไปหาความสุขจาก รูปเสียงกิจนรต่างๆในรูปแบบของสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบของภาพยนตลลร์นงนครในรูปแบบของเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นความสุขที่เป็นแบบยาเสพติดราวนาไหนไม่มีเงินนะทีนี้จะงดเยิดจะลาคาญใจแต่ถ้าเอาเงินมาใช้กับการทำบุญนี้จะทาให้ใจมีความอิ่มมีความสุขมีความพอ ทำให้ไม่ต้องออกไปเที่ยวไม่หิวกับการเที่ยวไม่หิวกับการไปดูหนังฟังเพลงไม่หิวกับการไปดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆนนี่คือการสร้างความสุขให้กับใจสร้างด้วยการทําบุญอย่าสร้างด้วยการเสพรูปเสียงกลิ่นรสเพราะเป็นการสร้างความสุขแบบยาเสพติดกับการสร้างความสุขแบบอาหาร พวกเราจรึกไม่ค่อยกล้าเสพยาเสพติดกันใช่ไหมเพราะเรารู้ฤทธิ์ของยาเสพติดว่าเป็นยังไงเห็นคนที่เขาติดแล้วน่าสงสารไ้ยเวลาที่ไม่มียาให้เขาเสพนี่เขาจะทรมานดิ้นจะตายให้ได้แต่อาหารนี่มันไม่ได้ทำให้เราดิ้นให้เราทรมานใจฉะนั้น พุทธเจ้าถึงสอนข้อที่สองว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขใจจากเงินทองที่เรามีอยู่นี้ขอให้เราเอามาใช้กับการสร้างบุญสร้างกุศลชนิดต่างๆอย่าไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเพราะมันจะเป็นพิษเป็นภผมันเป็นเหมือนยาเสพติดเวลาที่ไม่มีเงินหรือเวลาที่ร่างกายไม่สามารถเสพได้นี่จะ ทุกทรมานใจเนี่ยต่อไปร่างกายมีอายุมากขึ้นปริมาณของการที่จะเอาอะไรเข้าไปในร่างกายก็น้อยลงเบาหวานมันจะขึ้นเคยชอบกินของห ว, วานต่อไปก็จะกินไม่ได้พอกินไม่ได้ก็ไม่มีความสุขแล้วถ้ากินเดี๋ยวก็ต้องไปฟอกไตอย่ามีทางเลือกแบบนี้ให้คิดถึงอนาคต ถ้าเราไปเสพพวกนี้แล้วมันจะทําให้เราต้องมีปัญหากับสุขภาพของเราแต่ถ้าเราทําบุญรับรองไม่มีปัญหาร่างกายเราจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีความอ้วนไม่มีน้ําตาลเกินไม่มีไขมันเกินเพราะเราไม่ต้องเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆทําบุญแล้วอิ่มใจสุขใจแล้วจะทําให้เรานี้สามารถที่จะ ปฏิบัติทำข้อสําคัญข้อที่สามได้ก็คือให้เราไปชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะการชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้จะทําให้ใจไม่ไปเกิดนั่นเองจะทําให้เรามีวันไม่เกิดกันวันไม่เกิดนี้ไม่ได้เกิดจากการไม่ทําบาปไม่ได้เกิดจากการทําบุญแต่เกิดจากการชําระใจแต่ก่อนที่จะไปชําระใจได้ต้องไม่ไปทําบาปก่อน ถ้าไปทําบาปเดี๋ยวก็ต้องไปรับโทษของบาปไปติดคุกติดตารางก็จะไม่มีเวลาไปทําบุญมันไม่มีเวลาไปชําระใจให้สะอาดได้ยา น, นเบื้องต้นท่านถึงสอนให้เราละการกระทําบาปก่อนเมื่อเราไปการกระทําบาปแล้วก็จะไม่มีโทษเข้ามาในใจใจจะปกติใจจะไม่วุ่นวายจะไม่หวาดกลัวไม่วิตกกังวล แล้วก็ถ้าอยากจะให้ใจมีความสุขถ้ามีประโยชน์สุขที่แบ่งปันให้แก่ผู้อื่นได้ก็แบ่งปันไปเป็นเงินทองก็ไปทำบุญมีวิชาความรู้ก็เอาไปแจกเป็นวิทยาทานถ้ามีเวลาว่างก็ไปช่วยงานการกุศลต่างๆถ้าไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยก็ไปข้อที่สามเลยก็ได้ไปชาระใจเลยไปบวชเลยไม่มีเงินใช้ก็ ไม่รู้จะทำอะไรอยู่เฉยๆก็ไปบวช ด, ดีกว่าดีกว่าไปหาเงินเพื่อมาใช้เงินเพื่อหาเงินมาใช้เงินมันก็ติดอยู่ในวงจรหาเงินใช้เงินอยู่นั้นซู้เปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการหาความสุขจากการไปใช้เงินเที่ยวหรือไปดูไปฟังหรือแม้แต่หาความสุขจากการทำบุญก็ต้องระวังอย่าทาบุญแบบติด คือพอไม่มีเงินอยากจะทำบุญก็ต้องไปหาเงินมาทำอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการที่ถูกต้องการทำบุญนี้ให้ทำตับเงินทองที่เรามีเหลืออยู่ถ้าไม่มีเงินทองหมดเงินทองก็หยุดทาแล้วถ้าอยากจะได้ความสุขมากกว่าก็ต้องไปทำอีกระดับหนึ่งก็คือไปชำระใจให้สะอาดบริสุทสธิ์ไปฝึกสมาธิไปฝึกเจริญปัญญา พอจะทำให้ใจนี้สงบมากขึ้นความสงบของใจนี้แล้วที่จะทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาการไม่ทำบาป ก, ก็ทำให้ใจสงบในระดับหนึ่งการไปทำบุญก็ทำให้ใจสงบขึ้นอีกระดับหนึ่งถ้าอยากจะให้สงบมากกว่านั้นมีความสุขมากกว่านั้นก็จาเป็นที่จะต้องไปชาระใจให้สะอาดไปปฏิบัติจิตตภาวนา การภาวนาซึ่งมีสองระดับด้วยกันคือสมถาภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถาภาวนาทําใจให้สงบเต็มที่แต่เป็นความสงบชั่วกราวรถ้าสามารถทําใจให้สงบด้วยการหมันจเจริญสติการจะมีสติก็ต้องมีกรรมฐานเป็นเครื่องอบรมเป็นเครื่องสร้างสติขึ้นมากรรมฐานที่เรา รู้จักกันทั่วไปก็คือพุทธโธเรียกว่าพุทธานุสติอย่างอื่นก็มีอาณาปนาสติบางท่านก็ชอบดูลมหายใจเวลานั่งสมาธิก็ดูลมหายใจแทนบางท่านชอบพุทธโธก็บริกรรมพุทธโธไปถ้ามีสติคอยกากับใจคอยควบคุมความคิดเดี๋ยวใจก็จะดิ่งสงบ พอจิตนิ่งสงบก็เป็นอุเบกขาขึ้นมาเป็นสัต์แต่ว่ารู้ขึ้นมาเป็นอารมณ์เดียวมีอารมณ์เดียวคือเอขะกขกตาอารมณ์คืออุเบกขาสัตาว์แต่ว่ารู้เวลานั้นจิตก็จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวง ลดแถ่งธรรมในชนะลดทุกสิ่งทุกอย่างบุญชนิดอื่นก็สู้บุญที่เกิดจากการภาวนานี้ไม่ได้บุญที่เกิดจากการทาบุญทำทานเปิดลงทานทอดกระถิ่ น, นสู้บุญที่ได้จากการมาทำใจให้สงบไม่ได้ถ้าเราสามารถทำใจให้สงบได้เราก็อย่าไปกลับไปหาบุญที่มันต่ำกว่าที่น้อยกว่า ควรจะรีบโกยเอาบุญที่มันมีมากกว่าดีกว่าถ้าเราเจอแบงค์พันเราอย่าไปเก็บแบงค์ร้อยเลยเก็บแต่แบงค์พันดีกว่าเรื่องอะไรไปเก็บแบงค์ร้อยทาไมเนี่ยพวกที่ไปภาวนาแล้วก็ไม่ต้องกลับมาทําบุญทําทานนะไปไม่กลับดีกว่าอย่าอย่ายูเทิร์นเดี๋ยวมันจะกลับไปกลับมาเห็นไหมพวกที่เขาไปปฏิบัติเขาไม่มากับพวกเราเราใช่ไหยเมื่อก่อนเขาก็มากับพวกเรา เพราะตอนนั้นก็ยังไม่มีความสุขอะไรเขาอะไรต้องอาศัยความสุขที่เกิดจากการทาทานก่อนนี้พอเขาได้ไปลองภาวนาทาใจให้สงบได้เขาก็ไม่มาทาทานแะ้วเพราะเขารู้ว่ามันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินความสุขที่ได้จากการทาทานนี้น้อยกว่าความสุขที่ได้จากการภาวนา ถ้าใครภาวนาจนทำใจให้สงบได้แล้วที่จะไม่อยากจะได้ความสุขแบบอื่นนะอย่าอยากจะทำให้ความสุขแบบภาวนานี้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆและมีถาวรไปในที่สุดเบื้องต้นก็ต้องพยายามทำใจให้สงบบ่อยๆพอออกจากสมาธิมาก็ต้องคอยควบคุมใจอย่าให้คิดพอคิดแล้เดี๋ยวมันก็จะเกิด ความอยากเกิดความโลภแล้วความสุขก็จะหายไปขอยควบคุมความคิดด้วยสติต่อไปมันก็จะสงบแล้วพอมันมีเวลาว่างก็กลับเข้าไปนั่งใหม่เพื่อให้มันสงบได้เต็มที่ทำอย่างนี้จนชำนาญเมื่อชำนาญแล้วเราก็จะพร้อมที่จะขึ้นไปสู่ขั้นสูงสุดคือขั้นวิปัสสนาหรือขั้นปัญญามาฝึกสติเอามาฝึกม า, มาฝึกมาเจริญปัญญา มาศึกษาว่าปัญญาคืออะไรเพราะถ้าเรามีปัญญาเราสามารถที่จะรักษาใจที่สงบจากสมาธินี้ไม่ให้เสื่อมไม่ให้หมดจะทําให้ความสงบของสมาธินี้กลายเป็นความสงบที่ถาวรถ้าเราสามารถใช้ปัญญามากําจัด เหตุที่มาทำให้ใจเราไม่สงบได้ก็คือกิเลสตัณหาต่างๆนี่เองเวลาเราโลภนี้ใจเราจะกระเพิ่มขึ้นมาเวลาโกรธใจจะกระเพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็สามารถกำจัดมันได้กำจัดความโลภความโกรธความอยากต่างๆได้เพราะว่าความปัญญาจะสอนว่าสิ่งที่เราโลภเราอยากนี้ได้มาไม่คุ้มเสียนั่นเอง เพราะว่ามันเป็นประโยชน์หรือเป็นสุขชั่วคราวแล้วพอมันหมดไปมันก็จะทำให้กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาให้เห็นอนิจจังในสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันจะทำให้เราทุกข์เวลามันเปลี่ยนไปเวลามันหมดไปแล้วเราก็ไปห้ามมันไม่ได้เวลามันจะหมดเวลามันจะเปลี่ยนเป็นอนัตตา ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี่มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันเป็นอนิจจังทุกข์เพราะมันเป็นอนัตตาถ้าเห็นด้วยปัญญาแบบนี้มันก็จะลบความอยากลบความโลภต่างๆได้ต่อไปความลบความโลภความอยากต่างๆก็จะหายไปหายไปทีนี้ก็จะไม่มีอะไรมาทำใจที่สงบจากสมาธินี้ให้หายไป ใจก็จะสงบตลอดเวลากลายเป็นนิพพานขึ้นมานิพพานคือใจที่สงบอย่างถาวรไม่มีวันที่ไม่สงบสงบตลอดเวลาเพราะเหตุที่ทำให้ใจไม่สงบถูกทำลายไปหมดคือกิเลสตัณหานี่เองกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหา ความโลภความโกรธความหลงต้องใช้ปัญญาถึงจะกำจัดได้สติเพียงแต่กดบรนไว้เวลาเราบริกรรมพุทโธเรากดความโลภความโกรธไว้ได้แต่พอเราหยุดบริกรรมเดี๋ยวความโลภความโกรธมันก็จะโผกลับขึ้นมาใหม่แต่ถ้าใช้ปัญญามันจะหายไปเพราะปัญญาจะบอกว่าโลภเราไม่ได้ไม่คุ้มเสียได้ความสุขมาไม่คุ้มกับความทุกข์ที่ได้มา ก็จะไม่เอาจะไม่โลภจะไม่อยากพอไม่โลภไม่อยากก็ไม่มีกิเลสหลงเหลืออยู่ในใจก็เรียกว่าใจสิ้นกิเลสผู้ที่สิ้นกิเลสก็คือพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าผู้ที่เข้าสู่พระนิพพานพรานิพพานก็คือที่ไม่มีกิเลสตัณหาอยู่นั่นเองคือใจของพวกเรานี่แหละที่จะเป็น เป็นนิพพานไปตันนี้ใจของเราเป็นวัตฏะสงสารใจของเราเวียนว่ายตายเกิดในตายพบพอเราได้รับการชําระด้วยการละบาปด้วยการทําบุญด้วยการภาวนาชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ใจของเราก็จะปราศจากกิเลส ต, ต่างๆตัณหาต่างๆเมื่อไม่มีกิเลส ต, ตัณหาก็ไม่มีตัวที่พาให้ใจไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปน ใจก็ถึงวันที่เราต้องการกันคือวันไม่เกิดนี่คือเป้าหมายที่พระพุทธศาสนาต้องการให้พวกเราได้กันคือวันไม่เกิดตอนนี้เราได้วันเกิดแล้วได้วันตายแล้วขั้นต่อไปเราต้องเอาวันไม่เกิดเพราะวันไม่เกิดนี้จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมาตายกันอีกต่อไปนั่นเองการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา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 จันโทปนาราโสยะธามณีโชติราโสยทธาสัพพิตโยวิวาจันโุ สัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนศิริสานิจังวุธาปจายโนจตารโหธรมมวะทานติอายุวันโนสุขังภาลาง ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวหลังจากที่เลิกปิดไม่แล้วก็ของดถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถามว่า น, นี้ทางบ้านมีผู้ติดตามเท่าไหร่ วันนี้ทาง a ฟ e b o o k เข้ามาสองร้อย u ี่สิบแปดยูสองร้อยห้าวิทยุออนไลน์สิบแปดรับฟังข้างบนนี้สองร้อยหนึ่งคนรวมทั้งหมดหกร้อยห้าสิบสองครับใครมีคำถามหรือถ้ายังไม่มีก็เอาคำถามจากทางบ้านเข้ามาก่อนก็ได้คำถามจากคุณวรา หากต้องขึ้นเป็นหัวหน้าซึ่งลูกน้องเป็นคนที่เราไม่ชอบหรือเขาไม่ชอบเราเขาเคยว่าเราเราควรวางใจอย่างไรดีเจ้าคะเราก็ต้องแผ่เมตตาเท่านั้นนะความเมตตาในชนะทุกอย่างเปลี่ยนศัตรูมาเป็นมิตรได้ด้วยความเมตตาถ้าเราเป็นหัวหน้านเราต้องมีเมตตากับลูกน้องทุกคนไม่ว่าเขาจะชอบเราหรือไม่ชอบเรา แต่ถ้าเราให้ความเมตตาขเขาแล้วไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องรักเราชอบเราเพราความเมตตานี้ชนะใจคนได้ฉะั้นพยายามเมตตาให้อภัยพยายามมีอะไรแบ่งปันให้เขาได้ก็แบ่งปันให้เขาอย่าเอารัดเอาเปรียบเขาให้พยายามเสียสละแบ่งปันแล้วรับรองได้ว่าไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนกับใครจะมีแต่คนรักคนชอบ คำถามจากผู้ฝากถามการที่คนเราทำบาปกรรมกับผู้อื่นถ้าผู้ถูกกระทายกโทษอโหสิกรรมให้ผู้ก่อกรรมจะยังคงได้รับผลกรรมจากการกระทําร้ายผู้อื่นอยู่หรือไม่ตามหลักพระพุทธศาสนาหรือกรรมจะถูกลบล้างไปเลยเพราะได้รับการยกโทษอโหสิกรรมไปแล้วเจ้าค่ะอ๋อกรรมลบไม่ได้แต่ลบได้ก็คือเวรครูที่เขาจองเวรเราเขาให้อภัยเราเขาก็ไม่มาจองเวรกับเรา แต่กรรมที่เกิดจากการทาบาปของเราก็ยังต้องไปรับผลต่อไปต้องไปเกิดในอบายในภ พ, พในพบหนึ่งในบะอบายทั้งสี่อันนี้ลบไม่ได้แต่ที่ให้อภัยกันไม่จองเวรจองกรรมนีนลบการจองเวรจองกรรมกันได้ไม่มีเจ้ากรรมในเวรได้คำถามจากคุณยุทธนา ภาวนาจิตสงบมีความสว่างอยู่ด้านหน้าคืออะไรครับก็คืออย่างที่เราเห็นนั่นแหละมันไม่คืออะไรหรอกก็คือความสงบกับความสว่างไม่รู้จะทำไม่รู้จะตอบยังไคือผลจากการที่เรานั่งสมาธิก็แล้วกันถ้านั่งสมาธิแล้วใจจะสงบใจจะสว่าง แต่สว่างนี้ไม่แน่นอนบางคนก็สว่างบางทีก็ไม่สว่างแต่ที่แน่นอนคือความสงบเราต้องการความสงบที่เกิดจากการเจริญสติพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกบางคนก็อาจจะมีแสงสว่างบางคนก็ไม่สว่างรู้สึกเฉยๆแต่รู้สึกสบายเย็นมีความสุขอันนี้เหมือนกันทุกคนคือจิตนิ่งสงบมีความสุขไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามที่หลวงปู่ที่หลวงปูชาเคยกล่าวไว้ในหนังสือเดินไปก็ไม่ใช่ถอยกลับก็ไม่ใช่หยุดอยู่ก็ไม่ใช่มีความหมายว่าอย่างไรครับก็ไม่ใช่จิตไงจิตมันไม่เดินมันไม่ยืนมันไม่มีตัวตนไอที่เดินไปเดินมาหยุดไม่หยุดนี่คือร่างกายตัวจิตนี้มันไม่มีร่างกายมันไม่เหมือนร่างกายมันจึงไม่ได้เดินไปไม่ได้มาไม่ได้ไป มันอยู่กับที่จิตมันอยู่กับที่แต่มันไปด้วยความคิดคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงกรุงเทพก็ไปแล้วเนี่ยร่างกายอยู่ตรงนี้แต่จิตไปถึงกรุงเทพแล้วถ้าคิดเป็นนิพพานได้ก็ไปนิพพานแล้วออคิดนิพพานก็คิดไม่โลภไม่โกรธไม่หลงพอไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจิตก็จนิพพานไปถึงนิพพานได้ คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามคุณพ่ออายุ80ปีช่วยเหลือตัวเองได้ลดลงแต่ยังสามารถทำกิจกรรมที่จำเป็นได้เช่นทานข้าวเข้าห้องน้ำแต่มีความรู้สึกเบื่อชีวิตอยากตาย ขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีความสุขครับนั่นแหละก็อย่างที่เคยพูดอยู่เรื่อยๆวันนี้กระเทนว่าเราอย่าไปอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันพอมันเข้าสู่วัยชรามันไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้เราก็เกิดความเบื่อไม่มีความสุขไม่รู้จะอยู่ไปทาไมอยากจะฆ่าตัวตายตอนนี้มันก็จะว่าสายก็สายอยู่ ถ้าฝึกตั้งแต่เนิ่นๆตอนที่มีกําลังวังชาลดการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขมาหัดทจิตภาวนาหรือหาความสุขจากการทําบุญทําทานจากการรักษาศีลก็เวลาร่างกายแก่ก็จะไม่เดือดร้อนเพราะการทําทานรักษาศีลการภาวนานี้ไม่ต้องใช้ร่างกาย ทำทานก็ง่ายเพียงแต่เซ็นเช็คแล้วกดโอนเงินก็ศีล <laughs> ก็ไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆก็มีศีลแล้วก็ภาวนาก็อยู่เฉยๆศีลมันเฉยทางกายทางวาจาแต่มันยังไม่เฉยทางใจก็มาทำให้มันเฉยด้วยการใช้สติควบคุมความคิดพอใจเฉยก็มีความสุขขึ้นมาไม่เหงาไม่เบื่อสดชื่นเบิก บ, บานทุกวัน มีอารมณ์แจ่มใสไม่ไม่คิดฆ่าตัวตายอย่างแน่นอนแต่ถ้ามันอยู่ไม่ได้ก็ไม่เสียใจจะไม่พยายามยืึกมันเพราะร่างกายมันไม่ได้เป็นเครื่องมือที่ใช้หาความสุขแล้วเห็นการที่อยากจะให้ร่างกายมันอยู่ไปนานๆก็ไม่มีแต่การที่ใช้มันตายก็ไม่มีอปล่อยให้มันอยู่ไปตามมตรคภาพของมันไม่เดือดร้อนไงมันตายหรือมันอยู่เราก็มีความสุขเหมือนเดิม ก็ใช้ร่างกายที่ยังทำประโยชน์ได้ไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอย่างพระพุทธเจ้าอย่างกุบาจารย์ต่างๆบางรูปแปดสิบเก้าสิบท่านก็ยังทำประโยชน์ให้กับศรัท ธ, ธาญาติโยมพาทำบุญพาสั่งสอนพาภาวนาอะไรต่างนี่เห็นถ้าจิตใจมีความสุขมีความสงบแล้วร่างกายไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าเราไปยึดติด ร, ร่างกายอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือ พอเราไม่สามารถใช้มันเป็นเครื่องมือหาความสุขได้เราก็มีแต่ความหงุดหงิดมีแต่ความเบื่อหน่ายอยู่ไปไม่มีรสมีชาติไม่มีความสุขก็อยากจะฆ่าตัวตายแทนนี่แต่อย่าบอกว่าอยากฆ่านะฆ่ายิ่งไปแทนที่จะทําให้ทุกข์ในใจน้อยลงกลับเพิ่มมากขึ้นทุกข์ที่เกิดจากการฆ่าตัวตายเนี่ยมันรุนแรงมากนะพอพอกับฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้เนะพราะเราก็รักตัวเราเหมือนกับเรารักพ่อรักแม่เรานะ พอเราเกิดเกียดชังร่างกายเราก็เลยฆ่ามันนี่อันนี้มันจะเป็นบาปหนักเอานพยายามทนตอนนี้ก็มาถ้ายังฝึกได้ก็ฝึกมาหัดฟังเทศฟังธรรมก่อนถ้ายังไม่รู้จะทำอย่างไรก็ใช้การฟังเทศฟังธรรมกล่อมใจได้อยู่เฉยๆเบื่อก็เปิดธรรมะฟังเนี่ยอย่างนี้มีอัดเสียงไว้ฟังได้24ชั่วโมงฟังจนหูฉีกเลย <c oughs> ฟังแล้วก็พเพลิดเพลินถ้าฟังแล้วเข้าใจจะมีความสุขแล้วก็จะไม่เบื่อความเบื่อหน่ายจะเริ่มหายไปแล้วความอยากที่จะปฏิบัติก็จะมีแล้วมันจะทำให้ใจที่ไม่มีเรี่ยวมีแรงนี้กลับมีพลังขึ้นมาความีศรัทธาแล้ววิรยิยะมันก็จะเตินขึ้นมาความเพียรจะเต่นขึ้นมาถึงแม้่างกายจะ ไม่แข็งแรงก็ยังสามารถปฏิบัติได้เดินจงกรมได้เดินไม่ได้ก็ยืนจงกรมยืนไม่ได้ก็นั่งสมาธิได้ฟังเทศไปสลับกับการทำสมาธิไปก็จะมีความสุขทั้งวันก็จะไม่อยากจะฆ่าตัวตายจะไม่เบื่อหน่ายกับชีวิตกับเห็นคุณค่าว่าชีวิตนี้สามารถให้ความสุขกับเราได้ถ้าเรารู้จักใช้มันเท่านั้นเอง กลับนมัด ก, การค่ะพระอาจารย์ค ะ, ะยมขออนุญาตถามเรื่องวิบากกรรมเจ้าค่ะการที่เราจะต้องอเลี้ยงหลานเนี่ยทั้งที่เราตั้งใจที่จะพอตอนอายุ60อยากจะ เขวัดปฏิบตแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆรับใช้ครูบาอาจารย์เนี่ยแต่ว่ามันมีเหตุที่ลูกเขาแยกกับสามีที่ต่างประเทศแล้วเอาหลานตัวเล็กกลับมาแล้วเราก็ต้องช่วยเขาเพราะเขาไม่มีใครจริงๆนี้จะถือว่าเราต้องใช้วิบากกรรมตัวนี้หรือมีวิธียังไงให้อยู่กับมันอย่างสันติได้ค่ะพยมพบอารมณ์มโมโหหรืองหงุดหงิดที่เราไม่ได้ทําสิ่งที่เราอยากทําคืออยากเข้าวัดคือเราก็ต้องเปลี่ยนใจแล้วว่าตอนนี้เราเหมือนกับขับรถแล้วรถมันติดอนะ รถมันติดถ้าเราอยากจะไปเร็วๆมันก็จะงดหงิดใช่ไหมเพราะไปไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนใจจากการอยากไปเร็วให้มันไปช้าเสียให้มันให้มันชอบรถติดเสียรถติดกันดีจะได้พักผ่อนจะได้นั่งเฉยๆตอนนี้ติดเลี้ยงหลานก็มีความสุขได้จากการเลี้ยงหลานาเราต้องเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนความคิดของเรา จากความอยากในสิ่งที่เราทําไม่ได้มาอยากในสิ่งที่เราทําได้อยากเลี้ยงหลานขึ้นมาก็จะมีความสุขโอ้อยู่ดีๆก็มีคนเอาหลานมาให้เลี้ยงไม่ต้องไม่ต้องตั้งท้องเองไม่ต้องอะไรมีคน ผลิตล้านมาให้เอนึกว่าอาจารย์จะแนะนําให้ทิ้งซะอีกเพราะว่าเพราะว่าอาจารย์บอกว่าให้เลิกสะสมเงินสะสมห่วงบ่วงอะไรทั้งหลายถ้าทิ้งได้ก็ทิ้งแตถ่ถ้าทิ้งไม่ได้มันก็ไร้ความเมตตาแล้วเราจะไปไม่ได้อยู่ดีไปแล้วเราก็จะเสียใจเราจะคิดว่าเราทําถูกหรือเปล่านี่อย่าเรา ตอนนี้จะคิดเสียว่าเราเหมือนเราติดรถอยู่ครับอ่ติดรถอยู่ก็ทำอะไรในรถไปพังๆก็ได้ดูหนังสือไปอะไรไปช่วงที่รถมันติดไม่ต้องขับรถก็ทำอะไรไปมันก็เพลินกับการอยู่ในรถได้ไดโดยที่ไม่รู้สึกงดเย็ ด, ดแต่ถ้าอยากจะไปให้ถึงที่ที่เราตั้งใจจะไปแต่มันไปไม่ได้มันก็จะเกิดอาการงดเยดขึ้นมา เจ้าค่ะแล้วการที่เราต้องพากหลานคนเนี้ยมาจากพ่อของเขาซึ่งอยู่อังกฤษเนี่ยนะคะแต่ว่ามันมีเหตุในครอบครัวที่อยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยมั น, มนมเป็นวิบากกรรมที่เราต้องชดใช้อย่างที่วิกกคกี้คําถามเรื่องเจ้ากรรมในเวนเนี่ยเขาจะผูกเวนกับเราไหมมีวิธีเราไม่ได้ไปทําให้เขาพากจากกันไม่ใช่เลยเขาพากกันเองขเขาเขาอยู<ข>่กันไม่ได้ก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราเราไม่เกี่ยวเราไม่ได้ทําให้เขาพาดพากจากกันเขาทํากันเองคนที่ทำนั่นแหละเขาก็จะต้องมีวิบากของเขาต่อไป เราได้บุญได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเราคิดแหนบมาเลยต้องดีใจว่าบุญมาหาเราแล้วเ <c oughs> จา้าค่ะเดี๋ยวจะพามาถวายยาอหอมอาจารย์เจา้าตัวเล็กมาด้วยสองขวบกว่าบุญมาหาเราแล้วเนี่ยได้มีโอกาสได้ทําบุญนะถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่ได้เลี้ยงหลานเนี่ยแต่มันมีอารมณ์โมโหเพราะเขากวนโมโหสองขวบกว่านี้พูดไม่รู้เรื่อง terrible two ทำให้เรารู้ว่าเรามีอารมณ์โมโหเยอะมากก็อยากไปถือสาคน อย่าไปถือสาเขายังเป็นเหมือนสุนัขเนี่ยลูกสุนัขมันก็เล่นกับมันไปมันเห่าบ้างมันอะไรบ้างกัดบ้างก็ไม่ต้องไปถือสามันมันไม่รู้ภาษีภาษาอะไรค่อยๆสอนมาพร้อมมาสุนัขก็มีมาด้วยถือสาถุลูกสาวหามาให้หมดเลยเจ้าค่ะเล้นาแล้วจะมีความสุขถ้าทำด้วยความนักด้วยความเมตตาเราจะมีความสุขเนี่ย คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามครับชาวนี้ได้นำอาหารถวายพระอาจารย์แต่ไม่ได้ประเคนด้วยตนเองจะได้รับผลบุญใหม่เจ้าค่ะได้ได้เต็มที่เท่าเดิมคำถามจากคุณชยพล การทําบุญทําทานทําให้ร่ํารวยได้จริงหรือครับเพราะชาวต่างชาติสอนว่าหากย้ยํารอยากร่ํารวยต้องทํางานครับเอรวยแต่ไม่ใช่รวยชาตินี่ไงรวยชาติหน้า <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เหมือนเอาเงินไปเก็บธนาคารเนี <c> ่ย <oughs> เก็บในธนาคารตอนแก่ก็มีเงินใช้่ชไหมถ้าเอาไปใช้หมดก็ไม่มีเงินใช้ตอนแก่แต่ถ้าเราเอาเงินไปฝากกองทุนเลี้ยงชีพอะไรอย่างนี้พอตอนแก่เราก็เบิกมาใช้ได้ บุญก็เป็นเหมือนบุญกับเงินที่เราไปฝากไว้ในธนาคารในกองทุนนี่แหละแต่เป็นกองทุนของชาติหนะ้าไม่ใช่ชาตินี้ <c oughs> บาปพระพุทธเจ้าเนี่ยดูตัวอย่างเป็นพระเวสสันดรเนี่ยทำบุญอย่างเต็มที่เลยพอกลับมาเกิดใหม่ก็มาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมารับผลบุญที่ได้ทําไว้ในตอนที่เป็นพระเวสสันดร ทำบุญในชาตินี้ต้องยากจนถึงรวยไม่ได้ถ้ารวยแล้วมันจะไปทำมันก็ไม่ได้ทำเลยใช่ไหมทำบุญเพราะเราต้องเสียเงินทำเราถึงเราก็ต้องยากจนนอ ก, นอกจากว่าบุญเก่ามันตามมาทันมันก็เลยทำให้เรารวยขึ้นมาแต่มันไม่เกี่ยวกับบุญที่เราทำในวันนี้เงินทองที่หล่นมาเป็นเหมือนส้มหล่นที่ถูกขวยถูกรางวัลอะไรขึ้นมา มันมาเอ ง, อ ย, ง อ, อย่างนี้ต้องถือว่ามันเป็นผลของบุญเก่าที่เราทําไว้ในชาติก่อนมันมาหรืออาจจะในช่วงชีวิตหลายสิบปีก่อนข้างหน้าที่เราทํำว่าแล้ววันหนึ่งคนคนที่เขาได้รับความช่วยเหลือจากเราเขารวยขึ้นมาเขาก็คิดถึงเราเขาก็ส่งเงินมาให้เราใช้ได้เดังนั้นมันเป็นเรื่องของเวลาไม่ใช่ทําปุ๊บจะได้ปับ๊บเนี่ยเรื่องของทําบุญทําทานะ ขอให้คิดว่าเป็นการฝากเงินไว้นในธนาคารแล้วก็ถึงเวลาก็เดือดร้อนก็สามารถเ บ, บกิกออมาใช้ได้แต่อย่าหวังว่าทำบุญชาตินี้เราจะรวยทำวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะรวยดังนั้นไม่ต้องทำงานกันเลยก็ทำบุญเงินทุกคน แต่คิดว่าคนทุกคนที่ทำบุญไม่ได้คิดอย่างที่คิดกันอย่างนี้คนส่วนใหญ่ก็คิดว่าทำบุญเพื่อความสบายใจทำบุญเพื่อให้ตายไปแล้วจะได้ไปสุคติไปอยู่ที่สบายไม่อดอยากขาดแค้นเพราะบุญนี้เป็นเหมือนสเสบียงเป็นเหมือนอาหารพาเราไปแล้วเวลากลับมาบุญนี้ก็เป็นเหมือนทรัพย์ที่ฝากไว้ในธนาคารยั้นทาไปเถอนะทาอย่างนี้เราจะมีความสุขใจสบายใจ